เห็นอริยสัจ ท, ทั้ง4ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกเห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกเห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกและเห็นมรรคที่ประกอบด้วยองค์8อันประเิซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระงับแห่งทุกนั่นแหละ คือที่พึ่งอันเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้แท่เรื่องทุกประเภทยยใหญ่ใหญ่ก็มีพอแล้วสำหรับสัตว์จะสำนึกตัวมารู้อริยสัจคือไม่จำเป็นต้องผ่านความทุกทุกชนิดทุกขนาด พิสุตตุลัยเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษตัดหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูชวีบนี้นำมารวมไว้ในที่เดียวกันครั้นนำมารวมไว้ในที่เดียวกันแล้วกระทาให้เป็นเรื่องเสียบร้อยครั้นกระทําให้เป็นเรื่องเสียบรอยแล้วก็เสียบสัต ใหญ่ๆ ใ, ในมหาสมุทรที่คเครื่องเสียบขนาดใหญ่เสียบสัตว์ขนาดกลางๆในมหาสมุทรที่คเครื่องเสียบขนาดกลางเสียบสัตว์ขนาดเล็กๆ ใ, ใ, ใ, ในมหาสมุทรที่เครื่องเสียบขนาดเล็กพิสุทธง์หลายสัตว์ใหญ่ๆในมหาสมุทรยังไม่ทันจะหมดแต่ย่า ไม้และกิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้ก็หมดเสียแล้วพิสูจต้องหลายสัตว์ตัวเล็กในมหาสมุทรขนาดที่เสียบด้วยเครื่องเสียบได้โดยยากนั้นมีมากกว่านั้นมากนะักข้อนี้พระเหตุไรเล่าพระเหตุว่ามันมากโดยตัวมันเล็กข้อนี้ฉันใด อบายก็กว้างใหญ่อย่างนั้นเหมือนกันจากอบายที่กว้างใหญ่อย่างนั้นก็มีทิฏฐิสมปัญญบุคคลหลุดพ้นออกมาได้เขารู้ตามเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อย่างนี้ เรศนนั้นในเรื่องนี้เธอฟึงประกอบความเพียรอันเป็นเรื่องกระํำให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ เรื่องสัตว์โลกจะรู้จักสุขที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อปัญญาเกิดได้ตรัสกับมาคันทิยะอย่างนี้ว่ามาคันทิยะเปรียบเหมือนบุรุษที่ตามืดบอดมาแต่กำเนิดเขาจะมองเห็นรูปทั้งหลายที่มีสีดำหรือขาว เขียวหรือเหลืองแดงหรือขาบก็หาไม่จะได้เห็นที่อันเสมอหรือไม่เสมอก็หาไม่จะได้เห็นดวงดาวหรือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็หาไม่เขาได้ฟังคำบอกเล่าจากบุุษผู้มีตาดีว่าท่านผู้เริญ ผ้าขาวเนื้อดีนั้นเป็นของงดงามปราศจากบนทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้เขาก็เที่ยวแสวงหาผ้าขาวนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งลวงเขาด้วยผ้าเนื้อเลวเปื่อนขมาว่านี่แหละท่านเป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมนทิน เป็นผ้าสะอาดดังนี้เขาก็รับผ้านั้นแล้วและห่มผ้านั้นต่อมามิตรอมาตยาติสายโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญงานมารักษาแพทย์ปร่งประกอบยาถ่ายโทษในเบื้องบนยาถ่ายโทษในเบื้องต่ำยาหยอด อย่าหยอดให้กัดและอย่านัดเพราะอาศัยอย่านั่นเองเขากลับมีจักษุที่ดีและความรักใกล้พอใจในผ้าเนื้อเลวเปื้อนเข่าเสียได้พร้มอมกับการเกิดขึ้นแห่งจักษุที่ดีเขาจะพึงเป็นอามิตรคือเป็นข้าศึกหมายมั่นต่อบุรุษ ผู้ลวงเขานั้นหรือถึงกับเข้าใจเลยไปว่าควรจะปร่งชีวิตมันด้วยความแค้นว่าท่าภผู้เชิเนยเราถูกปุรุษผู้นี้คดโกงปลอมเทียมล่อลวงเอาด้วยผ้าเนื้อเลวเปื้อนขม่าวว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราะศะจากบนทินเป็นผ้าสะอาดมนนมนานนักแล้ว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 ก็ต่เมื่อท่านละความเพลิดเพลินและความกำหนัดในอุปทานขันต์ั้งห้าเยได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งธรรมจักรสุ ข, ของท่านและความรู้สึกจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านว่าท่านผูเ้เจริญเลยนานจริงหนอที่เราถูกจิตนี้คดโกงล่อลวงปลอมเตียม ลิ้นปลอกจึงเราเมื่อจะยึถือก็ยึดถือเอาแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณ น, นั่นเองเพราะความยึดถือเป็นต้นเหตุพบคือสถานที่เกิดจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นต้นเหตุการเกิดจึงมีแก่เรา เพราะการเกิดเป็นต้นเหตุความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลาพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นพร้อมหน้าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งหมดนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลเรื่องพอรู้อริยสัจ ทุ ก, ก็เหลือน้อยขนาดฝุ่นติดปลายเล็บเทียบประตี พ, พิสุทธิ์ตรงหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กระพื้นประตีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันก่าแต่พระองค์ผู้เจริญพื้นแผ่นดินนั่นแหละ เป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึง่งเท่าที่ส่งช้อนขึ้นด้วยปลายเลียบนี้เป็นกองมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำไปเทียบกับผืนแผ่นดินนี้ย่อมไม่ถึงซึ่งการํำนวนได้เปรียบเทียบได้ย่อมไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยวประช้อค่ะพิสูจ์ทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมย ก็ฉะนั้นสำหรับอริยาสาวกพูดถึงพร้อมแล้วด้วยสัมมาทิฏฐิรู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่าส่วนความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อน ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ย่อมไม่เข้าถึงแม้ซึ่งสุนเซียวนั่นคือความทุกข์ของโสดาบันผู้สัตตขตุประมะคือจะต้องมาเกิดอีกอย่างมากเจ็ดชาติผู้เห็นชัดตามเป็นจริงว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้และตางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ประเด็นนั้ น, นในเรื่องนี้เธอเพึ่งประกอบความเพียรอันเป็นเครื่องกระทําเพื่อให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือ ของทุกเป็นอย่างนี้และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขเป็นอย่างนี้ในสูตรอื่นได้เปรียบเทียบอุปมาเปรียบด้วยเมล็ดกรวดเท่าเมล็ดถั่วเขียว7ดเมล็ดกับขุนเขาหิมาลัยอีกสุดหนึ่งเปรียบน้ำติดปลายใบญ้าคา กับน้ำในสระ ก, กว้างห้โยตอีกสูดรหนึ่งเปรียบเทียบกับน้ำสองถึงสายดกับแม่น้ำน้ำในแม่น้ำหสายรวมกันอีกสูดรหนึ่งเปรียบเทียบเม็ดกระเบา7มเมล็ดกับพื้นแผ่นดินอีกสูดรหนึ่งเปรียบเทียบน้ำสอถึง3หยดกับน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดอีกสูดรหนึ่งเปรียบเทียบเมล็ดผักกาด สองถึงสามเมล็ดครับคุณขาหิมาลายเรื่องเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วรู้อริยสัจได้แจ่มใสเหมือนเห็นของในน้ำมันใสครันจิตตั้งมั่นบริสุทธ์โปองใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติ ที่อ่อนโยนควรแกการงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อญาณอันเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเธอย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และน hmm. ี้เป็นทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเหล่านี้เป็นอาสวัทั้งหลายนี้เป็นเหตุให้เกิดแห่งอาสวัตทั้งหลายนี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งอาสวัตทั้งหลายและนี้เป็นทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวัตทั้งหลายดังนี้เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นแล้วจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็ เ, เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วประมั์ได้อยู่จบแล้ว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 กรวดและหินบ้างฝูงปลาบ้างอันหยุดอยู่แล้วว่ายไปในห่วงน้ำนั้นเขาจะสำเนียใจอย่างนี้ว่าห่วงน้ำนี้ใสไม่ขุนเลยหอยต้นกรวดปลาทั้งหลายเหล่านี้หยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้างในห่วงน้ำนั้นอุปมานี้เป็นฉันใด อุปมัยก็เป็นฉะนั้นเพื่อนนั้นย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้เป็นทุกนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกและนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งอาสวะทั้งหลาย นีเป็นความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายและนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างนี้เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นแล้วจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชา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 เมื่อประพุิถูกทางกิริยาที่ไปนิพพานก็บบาสบายเหมือนไม้ลอยน้ําพี่สุต้องหลายพวกเธอได้เห็นท่อนไม้ใหญ่โน้นซึ่งลอยมาโดยกระแสแห่งแม่น้ํำคงคาหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้เห็นแล้วพระเจ้าข่าพี่สุต้องหลายถ้าท่อนไม้นั้น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 พุ่งออกไปสู่ทะเลประเหตว่าลำน้ำคงคามีธรรมดาน้มน้อมรุ่มลาดเยี่ยงเท่ไปสู่ทะเลหุปมาณนี้ฉันได้หุปปมัยก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้พวกเธอทั้งหลายถ้าพวกเธอไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งนอก ไม่จมเสียในท่ามกลางไม่ติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลี่วน้ำวนว น, วนไว้ไม่เน่าเสียเองในภายในไซพวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสู่นิพพานประเหตว่าสัมมาทิฏฐิมีธรรมดาที่โน้มน้อ ม, อมรุ่มราด เยิงเตไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายคำว่าฝั่งในเป็นชื่อของอยายตนะภายในทั้งหกคาว่าฝั่งนอกเป็นชื่อของอยายตนะภายนอกทั้งหกคาว่าจมเสียในท่ามกลางเป็นชื่อของความกําหนัดด้วยอํานาจความเปลินขันที่ราคะคําว่า ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกเป็นชื่อของความสำคัญว่าเรามีเราเป็นเรื อ, อสมมานะคำว่าถูกมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกษุกรณีนี้เป็นผู้ระคนด้วยก็เลือดเผลดเพลิน ด, ด้วยกันโศกเศร้าด้วยกันมีสุขเมื่อก็เลือดเหล่านั้นมีสุขเป็นทุกข์เมื่อก็เลือดเหล่านั้น ป, ประกอบการงานในกิจการที่บังเกิดขึ้นแ ก, ก่เครือขเหล่านั้นโดยตนพิสษจน์นี้เราเรียกว่าผู้ถูกมนุษย์จับไว้คำว่าถูกมนุษย์จับไว้ได้แก่พิกษุน์บางรูปในกรณีนี้ประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนา เป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งว่าด้วยสีนี้หรือด้วยวัดนี้หรือด้วยตบ้านี้เราจะได้เป็นเทวดาผู้มีศักดห์าใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดห์าน้อยยังได้อย่างหนึ่งดังนี้นี้เราเรียกว่าผู้ถูกมนุษย์จับไว้ คำว่าถูกเกลียวน้ำวนวนไว้เป็นชื่อของกรรมคุณทั้งห้าคำว่าเป็นผู้เน่าเสียเองในภายในคือมีพิสุบบางรูปในกรณีนี้เป็นคนทุศีนมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้ว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 ในภายในเรื่องเริยสัจสเป็นสิ่งที่คงที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงภิกษุทั้งหลายมีของสอย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่น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 ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่เป็นไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นนี่แหละเป็นของสอย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นเรื่องถ้ายังไม่รู้อริยสัจ ก็ไม่สามารถลงหลักความรู้ของตนพิสุจน์ทั้งหลายสมณพราหม์บางพวกไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดทุกนี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้แล้ว เขาย่อมมองสีหน้าของสมรภาณ์อื่นเพื่อให้รู้ว่าตัณฑปุจรนนี้เมื่อรู้ก็รู้จริงหรือเมื่อเห็นก็เห็นจริงหรือนั่งนี้เปรียบเหมือนปุ๋ยนุ่นหรือปุ๋ยฝ้ายเป็นของเบาลมพัดพาไปได้เมื่อวางอยู่บนพื้นที่อันเสมอลมที่ตะวันออกก็พัด ให้มันไปทางทิศตะวันตกลมที่ตะวันตกก็พัดให้มันไปทางทิศตะวันออกลมเหนือก็พัดให้มันไปทางใต้ลมใต้ก็พัดให้ไปทางเหนืออยู่อย่างนี้ข้อนั้นพระเหตุอไรเ ล, ล่าเพราะความที่ปุ่ยฝ้ายนั้นเป็นของเบาฉันใดขันนั้นที่สมณพราหม์ บางพวกไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัตว์ทั้งสี่เขาย่อมมองสีหน้าของสมณพราหมณ์อื่นเพื่อให้รู้ว่าท่านผู้เฉริญเหล่านี้เมื่อรู้ก็รู้จริงหรือเมื่อเห็นก็เห็นจริงหรือข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะความที่เขาเป็นผู้ไม่เห็นซึ่งอริยสัตว์ทั้งสี่ ส่วนสมณพราหมณ์พวกใดเป็นผู้รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้งสเขาย่อมไม่มองสีหน้าของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเพื่อให้รู้ว่าท่านผู้เจริญเหล่านี้เมื่อรู้ก็รู้จริงหรือเมื่อเห็นก็เห็นจริงหรือเปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาอินทกีน ที่มีรากลึกฝังไว้ดีแล้วไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนเมื่อพายุฝนอย่างแรงกล้าพัดมาจากทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามก็ไม่สั่นคลอนไม่สั่นสะท้านสะเตือนเพราะเพราะเหตุไรเล่าเพราะความที่มันมีรากลึกเพราะฝังไว้ดีแล้ว ค้อนี้ฉันใดสมณพราหมณ์บางพวกก็รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้งสี่เขาย่อมไม่มองสีหน้าของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเพื่อให้รู้ว่าท่านผู้เจริญเหล่านี้เมื่อรู้ก็รู้จริงหรือเมื่อเห็นก็เห็นจริงหรือข้อนั้นพระความที่เขาเป็นผู้เห็นแล้วซึ่งอริยสัจทั้งสี่ ด้วยดีนั่นเองฟังทรรมคำพุท ธ, ธะ